ม, มาจากที่ไหนมาจากทางพระมาด้วยกันนะมากันกี่คนสองคนนะ <c oughs> เป็นญาติกันนะหรือเป็นเพื่อนญ <c oughs> าติธรรมนะ่า <c oughs> เป็นเพื่อ น, น <c oughs> อเรา มาทำไมอะมีธุราอะไรหรือเปล่ า, าใครมีธุระมีคำถามอะไรไหมมจากที่ไหนมาจากที่ไหนสองคนนี้ชุดขาวเลยอันดยาค่ะอัยา มาพักที่วัดเลยอ่าใส่ชุดขาวที่บ้านนี่นะใส่มาจากนเออ่สมาิบ้าน อ, อ่ถือศีลแปดที่บ้านนะเร <c oughs> ือลห้า <c oughs> อสาีหน้าชุดขาวนี่มีหลายหลายแบบ <c oughs> ชุดขาวที่ถือสีนแปดก็มี ชุดขาวที่ถือศีลห้าก็มีชุดขาวที่ไม่ได้ถือศีลแต่กินเจก็มีกินเจก็ชวดขาวกินเจแต่บตบยุงนเรียกว่าพวกการกินเจมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีล น, นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเพราะว่าการกินเจก็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 อขาก็ไม่กินเนื้ออแสดงวัวควายมีศีลหรือเป่าแต่วัวค ว, วายมันไปกมยกินหญ้าของคนอื่นเขาะอไปกินข้าวที่ชาวนาปลูกไว้อย่างนี้ไม่มีศีลดังนั้นการกินเจไม่กินเจนี่ไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องศีล응กินเจแล้วยังไปอบายได้กินเจหรือไม่กินเจก็ไปอบายได้ จะไปอาบายหรือไม่ไปอาบายอยู่ที่รักษาศีลห้าได้หรือไม่ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่ต้องไปอาบายสำหรับคนที่เข า, าต้องเวลาเขาจะกินเนื้อสัตว์เขาต้องฆ่าเองเช่นเมื่อก่อนชาวบ้านไม่มีตลาดนี้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 คนยากคนจนหรือจะเปิดโรงทานให้ใครมารับประทานอาหารอาหารที่เราเอาไปไหว้เจ้าก่อนนี่แต่แล้วเอามาทำบุญทำทานได้ใส่บาทก็ยังได้ไม่เสียหายตรงไหนขออย่าเอาอาหารบุชมาใส่บาตเท่านั้นเองแต่อาหารที่ไหว้เจ้าแล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้อห้ามที่จะ ไม่ให้มาใส่บาทเพราะมันไม่ได้ไว่ายไม่ได้ทำอะไรเป็นความเชื่อเฉยๆว่าว่ายเป็นความเชื่อว่าเรายกให้คนตายไปแต่คนตายก็ไม่รู้เรื่องหรอกคนตายก็ไม่ได้มาแตะแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มาแตะก็พวกมแมลงวันมากกว่าว่ายแมลงวันมากกว่าไม่ได้ไว่ายเจ้า ถ้าอยากจะได้บุญจากการไหว้เจ้าก็เอาเนี่ยของที่ไหว้เนี่ยไปทำทานทำบุญใส่บาตรพระก็ได้เลี้ยงเพงพระก็ได้เปิดลงทานก็ได้ใคญกคนใครไม่มีอาหารมาผ่านม า, าก็ก็กินได้ต้องทำบุญจะเกิดได้แต่เมื่อเรามีการเสียสละ สิ่งที่เป็นของเราให้แก่ผู้ <Okay. S 1> อื่นการว่าเจ้านี้ไม่ได้เสียสละซื้อเป็ดซื้อกไก่ว่าว่าเสร็จแล้วเราก็เอามากินกันมันก็เหมือนกับไม่ได้ไว่ไหว้ดังนั้นต้องอย่าไปต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องเรว่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องว่าการทําบุญการไม่ทําบาศ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 มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของเขาที่เขาดําเนินมาด้วยความไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้เราจะซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาขายในตลาดหรือไม่เขาก็ทําของเขาอยู่นะเป็นแต่ว่าเขาจะทําทมากทําน้อยถ้าคนซื้อมากเขาก็ทํามากถ้าคนซื้อน้อยเขาก็ทําน้อยถ้าไม่มีคนซื้อเลยเขาก็ยังทําเพราะก็ยังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาอยู่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 มีเราไม่มีเราเขาก็ทําอาชีพนั้นแหละเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของเขามีคนที่ปินเจเขานักจะให้ง่คิดว่าการที่เราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ถึงแม้จะตายแล้วมากินก็เป็นเหมือนกับการส่งเสริมให้เขาทาอาชีพนี้คจริงไม่ได้ส่งเสริมเขาทํามาก่อนที่เราจะไปซื้อถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ยังทําอยู่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 ถือว่าเป็นบาปหนักมากก็ถึงแม้ได้บวชมายี่สิบปีบุญที่ได้จากการบวชนี่ก็ยังสู้บาปไม่ได้บาปทำเพียงไม่กี่วันพยายามข้าพระเจ้าสามครั้งแต่ผลน้ำหนักมันมากกว่าบุญที่ได้จากการเป็นนักบวชมีทานมีฤทธิ์ก็ยังสู้บาปที่ทำไม่ได้ก็ต้องไป ผลบาปในน ร, รกก่อนจนการ บ, บุญกับบาปจะมีกําลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วก็จะมาทำบุญต่อมาบวชมาปฏิบัติแล้วก็จะได้ตัดสัส้นเป็นพระปฏิเจ ก, กะพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของบุญของบาปที่มันไม่หมดที่มันเพียงแต่ผัดกันนึงผัดกันรับ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 ทันใดบาปที่ทำมาขององคุลิมาฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอเอาเครื่องยนต์ออกจากบาปทั้งหมดแล้วบาปนี้ก็ไม่สามารถที่จะดึงใจให้ไปเกิดเพื่อไปไ ป, ไปรับผลบาปได้องคุลิมาก็เลยหลอดจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายหรือกลับหรือกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิด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 ยังไม่ได้ถูกถอดออกพระโสดาบันยังมีความโลภโกรธหลงอยู่อยู่บางอยู่อีกหลายส่วนด้วยกันอันนี้ก็กาปฏิบัติต่อไปก็จะตัดความโลภความโกรธความหลงขึ้นไปขั้นสกิทาคามีก็น้อยลงองนาคามีก็น้อยลงพอขั้นพระอรหันต์ก็หมดความโลภโกรธหลงก็หมด พอหมดแล้วก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระโสดาบันนี้ยังกลับมาเกิดอีกแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสกีดาคามีก็มาเกิดไม่เกินหนึ่งชาติมาเกิดในภพของมนุษย์นส่วนพระอนาคามีนี้ไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์แต่ไปเกิดบน พบของพรหมแล้วก็จะไปเป็นพระอาหันตตามลำดับต่อไปไปเป็นไปสู่พระนิพพานที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงบุญกับบาไม่สามารถดึงจิตดวงนี้ไปให้ไปเกิดในภพทั้งสามได้ในการมาพบในรูปะพบอารูปะพบ การมาพบก็คือพบของผู้ที่เสพกามเช่นมนุษย์และเทวดาสัตว์เดี้ยราฉานนี่พวกนี้ยังเสพกามอยู่รูปภพกับอรูปภพเป็นพบของผู้ที่ได้รูปประชานกับอรูปประชานพวกที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ได้ฌานสี่ก็เป็นรูปภพถ้าได้อรูปประชานสี่ก็ได้อรูปภพ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 อยากอยากอยากเป็นใหญ่อยากเป็นอยากใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากอยู่ไปนานๆนี่เรียกว่าภาวะตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าการะตัณหาอยากในอยากไม่ให้เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเนี่คือความโลภสามตัวนี้ที่ต้องกําจัด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 ถาเชื่อพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นไม่นานแล้วอหลุดพ้นเหมือนพระสาวกองค์อืิญเหมือนพระอานนท์พระอะไรพระเทวทัตนี่ก็เป็นเจ้าชายนเป็นญาติของพระพุทธเจ้ารู้ศึกตอนบวชนี่เจ้าชายบวชพร้อมกันห้ารูปมีพระอานนท์พระอนุรุทธะพระเทวทัตแล้วมีอีกสองรูปไม่ทําชื่อไม่ได้แล้วมีมีบ่าวติดตามเป็นช่างตัดผม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 คนบวชหลังก็ต้องให้ความเคารพต่อผู้ที่บวชก่อนเจ้าเลยให้อุบาลีบวชก่อนพอเวลาบวชแล้วจะได้กราบไหว้อุบาลีกราบไหว้บาวเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้บวชเป็นเจ้านายแต่พอบวชแล้วกลายเป็นบาวกลายเป็นให้อุบาลีเป็นอาวุโสเป็นผู้ใหญ่กว่าก็จะได้ลดกิเลส การบวชนี่ครับเพื่อมาลดกิเลสมาละกิเลสการถือตัวเอหรือว่าเราใหญ่เราเคยเป็นนั่นเป็นนี่มาเอถ้าคนมาบวชยังถือตัวนี้อยู่นี่จะบวชนำบา่าพอเดี๋ยวไปเจอคนที่เขาเป็นคนรับใช้เราแล้วต้องเป็นกาบเขารู้สึกว่ามันจะขายหน้าเลยแต่คนที่บวชจริงๆเขาไม่ถือเขาไม่ถือตัวแล้ว เขาถือว่าเขาตายจากสถานภาพเดิมนะจากการเป็นใหญ่เป็นโตพอมาบวชนี่เหมือนมาเกิดใหม่เหมือนชาตินี้เราเป็นนายกเนี่ยชาติหน้าตายไปอาจจะไปเกิดเป็นขอทานก็จะมาอ้างว่าชาติก่อนฉันเป็นนายกฉันจะไปเป็นนายกต่อไม่มีเขาให้เป็นเขาเป็นขอทานอยู่อันนี้ก็คือ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 บุญบาปทั้งหลายที่ทําไว้ก็ถือว่าโมฆะไปอันนี้แหละก็เรียกว่าศูนย์จริงๆต้องไปศูนย์ที่พระ น, นิพพานบุญก็ศูนย์บาปก็ศูนย์ทําบุญมามากน้อยเพียงไรทําบาปมานั่ง้อยเพียงไรก็จะไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีเครื่องจักเครื่องยนต์ที่จะลึงใจให้ไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไป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 พยายามโชว์แข้งโชว์ขาโชว์อะไรกันจะได้เป็นเหมือนหมาเองทาไมให้ก็อย่าไปใส่มันเลยหมดเรื่องจะแข่งกับหมาทั้งทีเดี๋ยวสมัยนี้เอาหมามาแข่งกับคนเอาเสื้อผ้าให้หมาใส่นคนไปแข่งกับหมาหมาไปแข่งกับคน คนก็พยายามตัดเสื้อผ้าให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ไปใส่ให้กับหม่อให้หมาใส่แทนต่อไปหมาจะได้เป็นคนคนจะได้เป็นหมาอ้วาว็ขดูดูพวกคนป่าคนป่าก็ไม่มีเสื้อผ้ากัานใช่เขาก็มีใบมงคลใบไม้ปิดอะไรของเขานิดหน่อยใเขาก็อยู่แบบเดลฉาน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 อยากจะนอนกับใครก็ไปหากันในบานนู่นนะ่ะ <c oughs> นี่เป็นมนุษย์นี่เราอยู่อย่างมีความรับผิดชอบอยู่เพราะว่ามันเมื่อมันมีการร่วมกลับนำนอนเดี๋ยวมันก็ต้องมีลูกมีเต้าขึ้นมาถ้าไม่มีความรับผิดชอบเดี๋ยวก็ฆ่าทำแท้งกันทำบาปกันอกีกเขาถึงให้มีครอบครัว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 สังคมจะเน่าเฟะไปเรื่อยๆถ้าไม่มีศีละธรรมการเป็นมนุษย์นี่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเ mm hmm. พราะทุกคนจะเอาตัวรอดนะวิธีเอาตัวรอดง่ายก็คือทำบาป mm hmm. ถ้ารักษาศีลมันยาก mm hmm. ก็ไปห า, หากินกันแบบง่ายๆขายเนื้อขายตัวกันอ mm hmm. ี่ แล้วพอมีลูกออกมาก็ยกให้คนอื่นไปทิ้งให้สถานเด็กกำพร้าเลี้ยงไปแล้วดีดีไม่ดีตัวแม่เองก็ตายติดโรคต่างๆอายุสัน้นสังคมก็ผ่านมาเขามีเหตุการณ์นี้ผ่านมาเขาจะเห็นคุณค่าของการมีศีล ว่าเมื่อมีศีลแล้วอยู่มนุษย์จะอยู่กันอย่างน้มเย็นเป็นสุขปลอดภัยไม่เหมือนกับอยู่แบบเดรัจฉานเนเดรัจฉานนี่เขาไม่ปลอดภัยเขาต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวเขาทำอะไรนี่หันซ้ายหันขวาอยู่เรื่อยเพราะเผลอเดี๋ยวโดนตัวใหญ่กว่ามากินไป ม, มากัดกินไปแา่มนุษย์เรา ถึงว่าจะตัวใหญ่กว่ามีพลังมากกว่าก็ไม่ไปทำลายผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าเพราะเรามีกฎกติกามีการลงโทษเราไปทำ้ายผู้อื่นก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางอะไรมันก็เลยทำให้คนมีความเกงรงกลัวต่อการทำบาปทำผิดกฎหมาย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 ไปไหนก็ต้องมีมีหน่วยคุ้มกันพอถ้าไม่คุ้มกันเดี๋ยวก็ถูกผู้ที่เขาไม่ปรารถนาดีก็จะอยู่กันในลักษณะเหมือนกับเดรัจฉานถ้าสังคมไม่ไม่มีศีลห้ามนุษย์ก็จะอยู่เหมือนกับเดรัจฉานอยู่กัน พระเจ้าก็ทรงทานายว่าศีลสังคมจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆศีลธรรมจะจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะศีลธรรมกับกิเลสมันเป็นข้าศึกกันกิเลสไม่ชอบศีละธรรมคนที่ชอบทําตามกิเลสไม่ชอบศีละธรรมเพราะทำให้ทำยากอยากจะได้อะไรมามันยากถ้าไม่มีศีละธรรมมันง่ายก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 ส่งเสริมเรื่องการวิชาความรู้ต่างๆแต่ไม่ส่งเสริมเรื่องของการรักษาศีลกันเพราะมันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเปิดบาร์เปิดผับนี่มันก็ได้เงินขออนุญาตก็มีจ่ายใต้โต๊ะให้แล้วก็ถ้าไม่มีบาร์ไม่มีผับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ไม่มีรายได้อีก แต่เราจะเอารายได้ทําไมเอารายได้มาแล้วทําให้บ้านเมืองเราวุ่นวายแต่ทีนี้คนที่มาปกครองบ้านเมืองเขาไม่เห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมเขามองไปพัฒนาทางด้านวัตถุกันก็เลยเห็นเห็นศีลธรรมเป็นอุปสรรคพรยายาม พยายามล้มล้างศีลธรรมอยู่เรื่อยๆพยายามให้ออกกฎหมายเปิดบ่อนเจลีเนี่ยหมอันนี้ก็เป็นการล้มล้างศีลธรรมนะบ่อนก็การพนันการพนันก็ถือว่าเป็นอบา ย, ยมุขเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมบ่อเกิดของการกระทำบาปเนี่ยแต่ก็ไปมองในด้านบวกว่าะจะได้มีเงินเข้าประเทศ มีคนมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็จะบางทีเขาไม่ได้มาเที่ยวบ่อนเราที่เขามาเขามาเที่ยววัดมากกว่าก็ามาดูศิลธรรมของคนไทยมากกว่าคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ถามว่าเขาชอบอะไรเขาชอบคนไทยเพราะคนไทยยิ้มเก่งแต่เดี๋ยนี้ยิ้มไม่เคยออกกันแล้วเพราะความโลภความอยาก อย่างนี้เมื่อก่อนนี้คนต่างชาติมาเที่ยวเราจะมักจะดูแลเขาอย่างดีเดีย๋ยวนี้กลับมาป้นมาจี้มาข่มขืนมาฆ่าเขาแล้วเนี่ยเพราะศีลธรรมมันเสื่อมลงไปเรื่อยศีลธรรมนี่แหลเป็นตัวที่แยกมนุษย์ให้ออกจากเดรัจฉานเดรัจฉานนี่เขาไม่มีศีลธรรม สัตว์วลราชานี้เขาไม่รู้จักข้อห้ามห้าข้อนี้เวลาเขาหิวเขาก็กินขโมยก็ได้กับขโมยฆ่าได้ก็บฆ่าเวลาก็อยากจะร่วมหลับนอนกับใครเขาเจอใครเขาเขาหลับนอนได้เขาก็หลับนอนกันไปแล้วพอตั้งท้องก็เลี้ยงดูกันไปเองใช่หไหมหมาเวลามันท้องมี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 ไปทำบาปกันหรือเลี้ยงออกมาคลอดออกมาก็ไปฝากยายฝากย่าตัวเองไม่มีปัญญาเด็กก็เป็นเด็กคล้ายๆเด็กกาพร้าไปไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดโตขึ้นก็ไม่รู้เรื่องศีลและธรรมเหมือนกันแล้วก็จะถ่ายทอดกันต่อไปเสื่อมกันไปทิรนิดเทียนหน่อย จากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งนี่คือเรื่องของความเสื่อมทางด้านศีลธรรมและความเจริญของทางด้านกิเลส ต, ตัณหาอันนี้เราพัฒนากิเลส ต, ตัณหากนาหนันสร้างนู่นสร้างนี่กันเดินทางสะดวกรวดเร็วก็เพื่อจะได้ถูกใจกิเลสกิเลส ช, ชอบทําอะไร ง่ายๆเร็วๆไวๆอยากจะไปไหนไวก็เลยต้องสร้างนูน่นสร้างนี่กันจะสร้างก็ต้องไปกู้หนี่ยืมสินกับต่างชาติเขาออแล้วก็ต้องทําตามข้อเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้เอเช่นเขาบอกต้องเอาสุราของเขามาขายในประเทศเราเออราก็ต้องขายให้เขาเออ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 ถ้าเจริญทางด้านวัตถุนี้มักจะไม่เจริญทางด้านศิลธรรมถ้าเจริญทางศิลธรรมนี้จะไม่เจริญทางวัตถุอย่างประเทศที่ยังไม่ค่อยเจริญพวกภูฐานนี่เห็นไหมเขาก็ยังมีศิลธรรมกันอยู่กันอยากสงบเขาไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไ้ดินไม่มีเตกราม้านช่างไม่มีศูนย์การค้าต่าง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 รู้แต่ว่ามวันไปโรงเรียนวันไปทํางานอ่าวันพาวันโกนมีไว้ทําไมไม่รู้ก็มีไว้สําหรับให้เรามาเรียนเรื่องศีลและธรรมกันไงมาเรียนศีลและธรรมแล้วมาฝึกขัดปฏิบัติศีลและธรรมกันอย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีแต่เฉพาะคนที่ สนใจชอบศีนธรรมมาก่อนในอดีตใครทำมาแล้วมันติดนิสัยมา mm hmm. ถึงอยากเข้าวัดกันพวกที่ไม่มีของเดิมมานี่ก็ถ้าไม่มีใครชักจูงก็จะไม่เข้าก็ mm hmm. จะไปเข้าผับเข้าบาร์กัน mm hmm. ไปสวนการค้ากันไปสวนสนามสวนน้ำกันที่เล่นกันสถานบันเทิงต่างๆ ไปทางกิเลสตัณหาไปหาความสุขทางทางทางร่างกายกันที่ต่อไปจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะเวลาร่างกายไม่สามารถไปทำได้เวลานั้นอยู่บ้านก็ซึมเศร้าแล้วก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าคนเข้าวัดนี้จะรู้จักวิธีหาความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย เวลาร่างกายไม่สบายแกก็จะไม่เดือดร้อนยังสามารถมีความสุขได้นี่คือเหตุที่ทำไมต้องมีวันพระวันนะคำว่าวันโกนก็คือวันที่พระโกนผมพระท่านจะโกนวันก่อนวันวันพระแต่ท่านโกนเพียงเดือนละครั้งแต่เขาก็เรียกวันวันก่อนวันพระว่าเป็นวันโกนไปอย่างวันนี้เป็นวันโกนของพระจริง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 ได้ผลคือมีศีลธรรมก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำใจให้สงบสร้างความสุขทางใจได้ก็ไม่ต้องไปดืน่นลนหาเงินหาทองหาลาบหายุดต่างๆเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าก็ทำให้อยู่อย่างสบายไม่ต้องไปเครียดกับการแข่งแย่งชิงดีกันท้าวันนี้เครียดกับการแข่งแย่งชิงดีในเรื่องของลาบยสะะสุสรรเสริญ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 เรามาแข่งแย่งชิงดีกับกิเลสตัณหาตัวที่ทาให้พายเราไปเกิดแก่เจ็บตายตัวที่พายเราไปเกิดในอบายในสวรรค์ดีกว่าไม่มีตัวนี้แล้วไม่ต้องไปเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์ทุกย่อมมีทุกยอมม่กยอมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่เกิดแล้วไม่มีทุกข์อย่างแน่นอนถ้าเกิดไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดต่ำก็ต้องมีทุกข์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 จาอนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาเลวะหาปูราปาเลปุระเณติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิเยจีตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจารุสัเพปุระเณตุสังกปาจันโทปนะวะโสยะถามณิโชติ ภราสยตาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาตนาสีลิศะนิจังวุฒาปจายินจตารูธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขัง ถ้ า, าใครมาที่หลังอยากจะเอาเข้าวของเข้ามาก็ก็ามาได้นะแต่ยังไม่ได้หนังสือซีดีถ้าต้องการก็หยิบไป ใช่อ่าเออได้ทำเลย เดี๋ยวอนอนี่เอนเอนอนี่เดี๋ยวให้เขาจัดกนนะารอหยิบไปเราต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ เป็นไงถ้าหลายสามร้อกว่าวันนี้ขึ้น405อย้าอขึ้น405ร 40. ้อันนี้แนตะ่ <28. S 1> 340อ่สอาอันนู้นน่ะ38มสอ่ามีคำถามเข้ามาเยอะไหมวันนี้มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวอรอแป๊บนะึง ใน่ารานีมีใครอยากจะถามอะไรหมอ่าข้าเดี๋ยวก่อนอ่ า, า, าอว่ามามีคนฝากถามค่ะว่าถ้าจิตนิ่งแล้วแผ่เมตตาผลลุกนี่เขาจะได้รับหรป่าการแผ่เมตตานี่ต้องมีคนรับเนี่ยเช่นถ้าอยู่คนเดียวมันยังไม่มีคนรับก็ยังไม่ได้แผ่เป็นความรู้สึกของเราเอง เ น, นี่ยตอนเนี้ยมาแผ่เมตตาเ น, นี่ยเอาเข้าวของมาใหเ้เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาเจอใครแล้วยิ้มให้เขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาความเมตตาก็คือความปรารถนาดีี่ส่งความสุขสอขอสอมาเนี่ยนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไม่มีใช่ไหมไม่มีหลอกอันนั้นเป็นการอ่าเป็นการสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาเราพบปะกับคน เลือดสัตว์เจอสุนัขเนี้ยมันจรจัดมาไม่มีที่อยู่อาศัยก็เอามาเลี้ยงนเนี้ยนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเจอใครเขาดา่าเราก็สาธุอไม่โกรธเขาให้อภัยเขาเรียกว่าแผ่เมตตาอเวลาอเวลาก็คือไม่จองเวนใครทําร้ายเราเราไม่จองเวไม่ถือโทษกอดเคืองให้อภัยเรียกว่าแผ่เมตตา อาปยาปชาเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายเขาไม่ทุบตีกันไม่เอาแย่งผัวแย่งเมียกันนี่นี่ว่ะอาเอาปยาปชาโหงสุอันนี้เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราสวดกันนี้เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตานะวิธีมีความเมตตาก็คือไม่จองเวรไม่เบียดเบียนกันะ ช่วยเหลือกันให้ทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครัพอเวลาเจอใครจะได้ทําได้เวลาใครเข้าด่าเราก็ไม่จองเวรจองกรรมเวลาใครเข้าแย่งของเราไปเราก็ให้เขาไปเรียว่าเป็นการทําบุญทําทานไปมีไหม <Yeah. S 1> ให้เขาเข้าเขียนมาเองก็ได้เขาเข้าเฟซบุ๊กได้ ด้วอยู่นะเอาใจยังการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบปะกันหรือไม่พบปะกันก็ส่งของไปให้ได้อย่างเงี้ยเราซื้อขนมแล้วก็ส่งไปสั่งพิซซ่าแล้วก็ส่งไปที่บ้านเขา อ, อย่างเงี้ยแผ่เมตตาไม่ใช่แต่สวดอย่างเดียวสวดอย่างเดียวเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเราสวดนี่ เวลาส่วนนี่เป็นการสอนใจเตือนใจให้เรารู้จักว่าความเมตตาเป็นอย่างไรอว่าไงจากเปลี่ยนถามว่าเวลาคนเราตายนะฮะกายก็ดับจิตก็ดับใช่ไหมคะอ่าไม่ดับจิตไม่ดับจิตไม่ดับเ่าที่บอกจิตไม่มีวันตายาาาจิตก็กลายเป็นดวงวิญ ญ, ญาณไปเปลี่ยนชื่อใหม่พอออกจากร่างกายแล้วก็เป็นเรียกว่าดวงวิญ ญ, ญาณแล้วก็จะไป ไหนก็อยู่ที่บุญบาปที่เราทำเละถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็ดึงไปอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปสวรรค์ถ้าจารย์ถแล้วเวลาคนที่สมมติว่าจะตอนจะสิ้นเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วเหมือนเป็นผักนะคะจิตที่ยังมีอยู่ไั้่หมดไม่ไมีอยู่ไม่แต่เขาจะรู้ทุกอย่างหมดเหมือนกันรู้รู้เหมือนคนที่<ม>พูดได้เหมือนกันแต่แต่ว่าวิถีจิตก็ทำไม่ได้เลย เปลี่ยนแต่ร่างกายพิการไม่สามารถตอบสนองคําสั่งของใจได้มันรถยนต์ที่มันเสียเนี่ยคนขับจะขับให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยังก็ขับไม่ได้นะถ้ารถมันเสียแยจิตที่รู้นี่คือรวังจิตใช่ไหมครับคํา ว, ว่าจิตนี่มันมีหลายความหมายคํา ว, ว่าจิตที่เกิดดบนี้ก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเช่นโกรธโลภโกรธหลงเนี่เรียกว่าจิตอารมณ์ของจิต ที่เกิดเราดับโลแลรวก็หายไปโกรธเราก็หายไปอารมณ์ดีอารมณ์เสียนี่เรียกว่าจิตที่เกิดดับนี่คืออารมณ์ไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตนี่ไม่ดับตัวที่รู้ว่าเกิดดับเกิดดับนี่ไม่ดับตัวที่รู้ว่าอารมณ์นี่ดับอารมณ์นี่เกิดนี่ตัวนี้ไม่ดับคือตัวจิตตัวใจแต่ตัวที่เรียกว่าจิตที่เกิดดับก็คืออารมณ์ของจิต ความคิดปุงแต่งนี่ความจำได้ความรู้สึกนี่เป็นเนี่ยเราเรียกเราเรียกว่ามันเป็นจิตาอาการของจิตอาการของจิตเนี่ยเป็นสุขบ้างทุกบ้างอ่อันนี้ก็อาการของจิตที่เกิดดับเกิดดับสงบบ้างฟุ้งบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เรียกเรอเรียกว่าจิตที่เกิดดับเกิดดับอ่าแต่ตัวที่รู้นี่ไม่ดับตัวอ่าตัวมโนโ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 ชอบทําบุญมันก็จะติดไปชอบทําบาปก็จะติดไปชอบใช้มือขวาก็จะติดไปชอบใช้มือซ้ายก็จะติดไปชอบส clock, ีเขียวสีแดงก็จะติดไปก็โด่งเดิมอะเพียงแต่เสื้อผ้าเปลี่ยนร่างกายเหมือนเสื้อผ้าเนี้ยล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่คนใส่เสื้อผ้าก็คนเดิมเนาะไปถนัดขวาเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็ถนัดขวาต่อไปเคยชอบสีแดงก็กลับมาก็จะชอบสีแดง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 ถ้าทําใจสงบก็จะหยุดความโลภความอยากได้กระจายนะนะมีอะไรอีกไหมอ่าครัก็ยัยงทําสมาธิไม่ได้ก็ต้องจะไม่ฝึกสติไงต้องจะฝึกสติให้มากๆอย่าเพิ่งทําสมาธิฝึกสติก่อนสติแค้นไว้ให้เพราะวให้เรารู้ ร, ร, รู้ทุกแค้นที่เราทําให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำอย่างเดียวมันชอบพูดเลยค่ะออกไปอีกเนี้ยก็ดึงกลับมาเอามาอยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆก็ดึงกลับมาดูที่ลมหายใจหรือถ้าเราไม่ชอบวิธีนี้ก็ใช้พุโทโธหนึ่งก็ได้ท่องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้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 น้อยก็จะสงบจะได้สมาธิมีอะไรไหมเมื่อกี้ทางนี้อะเมื่อกี้ยกมือมาลืมๆไปแล้วไม่ลค่ะอ <laughs> <laughs> าจานะรย์ครับกลองวันเนี่ยตัเองอยู่กับท่ที่ทำอะไรก็คิดไปก็จะเอาพุทโธมาหยุความคิี่จะมับกลุ่ไปนะที่อื่นนะครับแตตอนคืนนอนไม่หลับเนี่ยมันจะคิดก็เอาพุทโทก็ไม่คยอยู่ ก็อย่าไปอยากหลับแต่ยิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่เวลาเวลาเวลามันมันไม่ไม่หลับก็พุโทโธไปเรือร่อดูลมหายใจไปเดี๋ยวมันก็หลับมไ่อถ้าอพุโทโธด่าก็ใช้ลมหายใจเลยดูลมหายใจไปนอนดูนอนแล้วก็ดูลมหายใจตอนนี้กําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออก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 ดีแต่คุณบางคนก็อยากจะไม่หลับกันทั้งนั้นนะบางคนก็ถือสามีเรียบทก็ไม่ก็ไม่นอนอเพื่อเขาจะได้นั่งสมาธิเยอะๆเรามีบุญนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับนี่นมีบุญรเป ล, ล่าอ่า<ะ> <c oughs> ทุกข์ก็อต้องดีใจเพโอ้ยนอนอไม่หลับเราจะได้นั่งสมาธิได้นานๆอ่าที่ทุกเพราะไปอยากหลับที่ทุกเพราะไปอยากหลับคนที่ไม่อยากหลับก็จะมีความสุขโอ้ยเราไม่ง่วงแล้ะเรานั่งสมาธิได้เยอะแล้ว นะเปลี่ยนใจถ้าถ้าไม่หลับก็ดีต้องดีใจไปกับมันอย่าไปอยากหลับถ้าอยากหลับแล้วเดี๋ยวมันมันมันก็ทุกข์ขึ้นมานนแล้วก็จะนอนไม่หลับอ่าถ้ามึงไม่หลับกูก็ลุกขึ้นมานั่ง เ, เออเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลับแล้วกิเลสมันชอบอย่างนี้พอจะให้มันทํางานจริงๆมันไม่เอาแล้วเดี๋ยวหลับใช่ะคะ่ะถ้าเกิดนอนไม่หลับก็พอตั้งใจว่าจะขึ้นมานั้งสมาธิอะค่ะกิเลสมั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 เอาใจน ะ, ะมีใครอยากจะถา ม, มยังไหมไม่มีจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างน ะ, อะเอาเลยคำถามฝามกถามค่ะใ้าอยากจะทรมานกิเลส ต, ตัวที่ชอบนอนทั้งที่ลดปริมาณอาหารแล้วแต่พอน้่สมาธิแล้วยังง่วงเลยจะลองวิธีฝืนด้วยการไม่นอน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 แต่แกบอกว่าไม่เป็นไรยอมที่จะทําบาปเพราะไม่ชอบลูกเพราะไม่ชอบมันลูกควรจะทํายังไงดีคะก <c oughs> ็เขาจะทําไปห่างเขงได้ยังไงเราก็บอกเขาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็อย่าไปมีเรื่องมีราวกันเลยก็ต้องปล่อยไปตามอธัธยาศัยเราทําหน้าที่ที่ดีแล้วก็อบอกแล้วว่ามันเป็นบาปถ้าเขาไม่เชื่อเขาพร้อมที่จะรับผลาบาปก็ต้องปล่อยเขารับไปต่อไปก็ต้องไปเป็นหนูให้เขาฆ่านะบอกเข า, ขาแค่นั้น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 ถ้าเราใช้วิธีถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วในวันพระเราก็หยุดล้านแล้วนั่งสมาธิให้มากทําอย่างนี้ไปก่อนจนตัดกิเลสได้จริงๆได้ไหมคะว่าต้อง evet. ตัดใจแล้วไปเลยไปบวชเป็นผู้หญิงต้องใช้เงินไหมคะก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าอยากจะไปบวชแบบไม่ใช้เงินก็ไปหาวัดที่เขาเขาเข า, เขาเลี้ยงดู่มีวัดที่เขาเลี้ยงดูหรือมีสํานักแม่ชีที่เขาจะเลี้ยงดูกันดูแลกัน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 ทำในสิ่งที่จําเป็นต้องทําได้สําเร็จให้มีอาหารรับประทานให้มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยพอทำเสร็จแล้วก็จะมีเวลาไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันทั้งคืนนั้นมีวัดที่เขาสํานักที่เขารับคนที่ไม่ต้องมีเงินมีทองไปก็ได้แต่เราต้องอย่าถือตัวอย่ต้องพ้อที่เป็นแจ๋ว หห้หมมมดดเววรรกกัับคนทีีย่อ ย, ยอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่เดี๋ยวเวรกรรมเก่าที่ทําไว้เดี๋ยวมันส่งผลหมดแล้วมันก้าหมดไปเองเหมือนใช้นี่อย่างเงี้ยก็ใช้ไปเรื่อยๆแต่อย่าไปสร้างนี่ใหม่อถ้าสร้างนี้ใหม่ไปใช้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดงั้นถ้าเราอยากจะหมดนี่หมดสินตอนนี้เราก็หยุดกู้แล้วก็ใช้นี่ศินเก่าที่มีอยู่อให้หมดไป หมดแล้วมันก็หมดคงถามจากคุณออยจิตที่รับรู้เรื่องราวภายนอกได้นั้นโดยที่เราไม่อยากรับรู้จะแก้ไขอย่างไรคะ เราก็หาอะยึดเหนียวจิตใจเช่นให้พุทโธพุทโธไปเวลามีอะไรมาให้เรารับรู้แล้วเราไม่อยากจะไปรู้ก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรือทำใจถ้าอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบสิ่งที่รับรู้ก็จะหายไป <c oughs> แต่ถ้ายังไม่สงบก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปสิ่งที่ปรากฏเขาจะปรากฏก็ปล่อยเขาปรากฏไปอย่าไปอยากให้เขาหาย อยากแล้จะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์เราต้องปล่อยวางเราจะมาก็จะไปก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสนใจเขาต่อไปเขาก็จะไม่มามารบกวนเราที่เข้ามาเพราะเราชอบไปต้อนรับเขาคำ <laughs> ถามจากคุณแอนถ้าเวลานั่งสมาธิเราใช้วิธีดูลมหายใจแต่ในระหว่างวันเราใช้วิธีการดูเคลื่อนไหวของกายจะทำให้จิต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 ไม่อยากสนับสนุนให้มีคอร์รัปชันมีบางครั้งที่ต้องเลี่ยงได้บางครั้งเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องจ่ายอยากถามพระอาจารย์ว่าเราจะบาปไหมคะแล้วเรามีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างคะเราคงไม่บาปมันเขาคนที่มาทำเราบาปเนาะเพราะเขาหารายได้จากอันไม่ชอบเราก็เป็นคนขายไปเขาเขาขอเรียกสองราคาสองเงนจ่ายสองชั้นจ่ายชั้นบนกับจ่ายชั้นล่าง เราก็จ่ายเข้าไปตามที่เขาเรียกร้องคำถามจากคุณสอลอัตที่กล่าวกันว่ามีวิญญาณเล่ร่อนมาขอส่วนบุญเป็นอย่างไรมีจริงไหมและเราควรปฏิบัติอย่างไรครับส่วนใหญ่นี่เราจะไม่ดูหรอกเพราะว่าเราไม่มีภาษาจิตที่มีกำลังพอที่จะรับกับดวงวิญญาณต่างๆได้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 ถามว่าเขาต้องการอะไรได้ตาเขาบอกเขาต้องการเสื้อผ้าต้องการอะไรอาหารนี่เราก็ไปทําบุญซื้อเสื้อผ้าไปแต่คนนั้นคนนี้แล้วก็อุทิศบุญที่เราทํานี่ให้กับเขาไปถ้าเราไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงแต่เราฝันอาจจะเป็นความฝันที่เราคิดขึ้นมาเองก็ไม่เป็นไรถ้าเราอยากจะทําบุญก็ทําได้เหมือนกันเผื่อไว้เผื่อมันเป็นความจริง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 ผลที่เราต้องการก็เกิดจิตรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขมากจากความสงบอันนี้อันนั้นนะเป็นผลที่เราต้องการแต่ยังไม่ถึงเราก็ต้องหาวิธีใดวิธีหนึ่งทําให้มันถึงให้ได้คำ ถ, ถามจากคุณ พ, พักกพรเคยอ่านหนังสือเจอว่าเวลาเดินจงกรมไม่นิยมเดินในแนวทิศเหนือใต้เป็นเพราะเหตุใดคะ อันนี้ก็ไม่มีใครที่บายฮเพียงแต่มีการสอนให้ทําอย่างนี้หลวงตาท่านเขียนไว้ในหนังสือปฏิปทาท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนว่าเวลาเดินจงกรมทําทางเดินจงกรมนี้ให้ทําเดินตามตะวันทางอย่าไปย้อนอย่าไปขวางตะวันฮคือให้ทําทางไปทางให้เดินไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกเลยเเป็นทิศเอ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 อย่าไปอยากให้เขาหายอย่าไปอยากให้เขาอยู่เขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะหายก็ปล่อยเขาหายไปคําถามจากคุณยายน้องเฮงตอนตอนนี้สิน 5, ค่ายังฆ่ามดฆ่าปวกฆ่าเห็ดแบบไม่อยากจะทําจะบาปมากไหมคะก็บาประดงบไหนนะระดับเห็ดเห็ดระดับมดเนะี่ยตายไปก็ต้องไปเป็นเห็ดเป็นมดให้เขาฆ่า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 เราควรเจริญให้เป็นวิปัสนาต้องทาอย่างไรบางวันหลับตาแล้วรู้ลมแล้วเงียบเลยตอนนี้รู้ลมหาใจได้ดีขึ้นเวลานั่งเวลานั่งนี้ไม่ต้องทำวิปัสนาเราทาสมะถะเวลานั่งนี้ต้องการให้สงบให้นิ่งอย่างเดียวแล้วพยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆทำให้ชำนานก่อนแล้วก็ถ้าจะทำวิปัสนาก็ทำตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเช่นตอนนี้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 แต่ถ้าเราสอนใจไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันต้องเสื่อม <_ d ream> เดี๋ยวมันต้องดับพอมันเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ไม่ทุกข์พอเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้เรื่อวิปัสสนาวิปัสส น, นาต้องตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอ น, นั่งสมาธิก็คําว่านั่งสมาธิก็บอกเราว่าให้นั่งสมาธิไม่ให้นั่งวิปัสสนาแต่ว่าไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องนั่งแล้วเห็นว่าอยู่ในชื่อไม่นั่นะครับวิปัสสนา ไม่ต้องนั่งหรอกกัอยู่ทําอะไรก็ทํำไป เ, เจอเจอแฟนก็บอกอันนี้จังเนี่ยก็เป็ น, นวิปนะัสสนาแล้วเจอเงินก็บอกวิปัสสนาอั น, นิีจัง เ, เดี๋ยวก็หมดเนี่ยได้มาก็หมดไปสอนใจเตือนใจว่าทุกอย่างมันต้องจบเอาว่ามาโยมอ่าก็รู้ตอนที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ไงเวลางขโมยมาขโมยของในบ้านไปถ้าเราทุกข์ก็เป็นสัญญาสิ ถ้าเราไม่ทุกข์ก็เป็นปัญญาไงใช่ไหมอ่าถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่าลืมไปแล้วว่ามันเป็นอันนี้จังถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าไม่ลืมว่ามันเป็นอันนี้จังมันต้องไปเอาไปก็ไปสิใช่มันต้องสอนบ่อยๆจะกระทั่งมันมันไม่ลืมไงถ้ามันไม่ลืมมันก็ไม่เป็นสัญญาแล้วสัญญามันลืมได้แต่ปัญญาไม่ลืมต้องคิดบ่อยๆเตือนใจบ่อยๆจะกระทั่งไม่ลืม แล้วพอเกิดเหตุการณ์ก็จะไม่ทุกข์เราไม่ค่อยพิจารณากันเราแค่พิจารณาคนเดียวจบแล้วรู้แล้วว่าไม่เที่ยงแต่พอไปเจอของไม่เที่ยงเข้าก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาก็เสียดายก่อนก็ยังช้าไปต้องไม่เสียดายเลยต้องดีใจว่าเอาไปเลยหนักอกหนักใจมิวน้ยหนักอกหนักใจเอาไปเลยยกภูเ ข, ขาออกจาก อ, อกให้ไม่มีอะไรดีที่สุด ใช่ไหมอ่พวกเราชอบนับแบกกันเนี่ยพอไม่ได้แบกก็ทุกข์กันแทนที่จะดีใจกับเสียใจที่อกชอบแบกกันอครับว่าคือร่างกายเราที่เราคิดเป็นของเราอ่าเราพยายามคิดว่าไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นของสั ป, ปเปลเลยเดี๋ยวเข้ามาขอคืนเดี๋ยวถึงเวลาเข้ามาขอคืนไปะเดี๋ยสั ป, ปเปลเนี่ยคือเจ้าของที่แท้จริงของร่างกายเรา พ่อแม่เรายังไม่เอาเลยใช่ไหมมันจะตายสามีภรรยายไม่เอาไยกให้สับปะเลอะงั้นหมดเลยแต่จําไว้น่ยเจ้าของแท้ก็คือสับปะหลอะเราเลี้ยงดูเพื่อสับปะเลอะนี่เลี้ยงดูล่างการนี่เพื่อส่งให้สับปะเลอะนี่ถ้าจะมีวิธีทำงไงให้ไม่ให้เรากลัวตายก็คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็จะไม่กลัวไงใจรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ เราเป็นคนขับร่างกายนี้เราไม่ได้เป็นรถยนต์รถยนต์จะพังเราไม่กลัวใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นรถยนต์เนี่ยเราเป็นคนขับตอนนี้เราก็ต้องนึกอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้เป e ็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนสั่งให้มันทำนู่นทำนี่คนสั่งไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็คนขับกลัวไอ้ร่างกายไม่กลัวหรอกร่างกายมันจะตายไม่กลัวไอ้คนขับไปกลัวแทนร่างกายก็ไปคิดว่าเป็นร่างกาย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 ก็กินยารักษาแบบธรรมชาติไปธรรมชาติบําบัดมีสมุนไพรมีอะไรก็กินไปต้มยากินไปอยู่ไม่ได้ก็ให้มันตายไปก็จบสบายกว่าประหยัดด้วยตายแบบประหยัดอยู่แบบประหยัดบางทีก่อนจะตายหมดไปหลายล้านเนี่ยแต่หมอจะบอกถ้าไม่จังพอแล้วมันจะหายใจไม่ได้ก็ให้มันก็เรื่องของเราเน่ยไม่ใช่เรื่องของลูกหลานเท่าไหร่ร่างกายเป็นของใครเลยแต่ตอนนั้เราก็าาไม่รู้เรื่องนะคะ ไม่รู้เรื่องแล้วก็เขียนสั่งไว้ก่อนสิห้ามเอาเข้าโรงพยาบาลจบร่างก็ยาวเข้าถือว่าเป็นกรรมของเราไปสั่งแล้วมันยังไม่ไม่เชื่อเราก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> ครูบาอาจารย์บางลูกท่านก็สั่งมันลูกศิษย์ก็ไม่ฟังไม่ยอมมนดึงเข้าจนได้ไออก็ท่านก็ยอมแต่ท่านใจท่านก็ยังไงก็ได้ใจท่านไม่เดือดร้อนอจะรักษาก็ได้จะเจาะก็ได้จะผ่าก็ได้จะตัดก็ได้ แต่ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายึงแต่ท่านเห็นว่ามันเสียเวลาเจ็บตัวไ ป, ปเปล่าๆใช่เหตุปล่อยมันตายแบบธรรมชาติมันสบายกว่าดูพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสายวงสายยางอะไรใช่ไหมนะท่านก็เข้าฌานไปนั่งสมาธิเข้าฌานไปทําใจให้สงบแนละ้วร่างกายก็ต่างฝ่ายต่างไปกันก่นละทาง ว่าพระพุทธเจ้ามีท่านตัดชลุ่นในฌานหรือเป่าคอ๋อเวลาตัดชลุ่นนี่ต้องออกจากนอกฌานต้องนอยู่ในจิตที่ปกติที่คิดตามเหตุตามผลได้เพราะกิเลสมันมันไม่ได้อยู่เวลาอยู่ในฌานกิเลสมันไม่ทํางานเนี่ยความคิดก็ไม่ทํางานอยู่ในฌานที่จิตสงบนิ่งเฉยเฉยเหมือนคนนอนหลับต้องตื่นขึ้นมาเต่นขึ้นม า, นนมาแล้วค่อยลุกขึ้นมาทํางาน พิจารณาเหตุผลพิจารณาใจรักษณเพื่อสอนใจไม่ให้หลงกับสิ่งที่เป็นทุกข์พอเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะไม่มีความอยากได้อะไรพอไม่มีความอยากก็ตัดก็หลุดพ้นจากความทุกข์ก็พระอัญญาณกนทยะเวลาฟังธรรมมนุษย์ทำตอนนี้ฟังธรรมก็พิจารณาตามที่พระเจ้าสอนไม่ได้อยู่ในฌานฟังเหตุฟังผล แล้วก็มาดูว่าใจตอนนี้ทุกข์กับเรื่องแก่เรื่องตายพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นธรรมดาหยิกเลี่ยงไม่ได้มันจะตายให้มันตายไปแล้วเราจะไม่ทุกข์พอเข้าใจนี้ก็เลยทําตามที่เจ้าสอนปล่อยวางร่างกายไม่กลัวตายพอไม่กลัวตายมันก็ไม่ทุกข์ต่อไปแต่คนสมัยนี้ถ้าพูดว่าสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นจะไปทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเพระพุทธเจ้าสั่งไว้ก่อนตายว่าทาที่เราสอนนี่เป็นจะเป็นตัวแทนของเรา ศาสดาของพวกเธอต่อไปก็คือธรรมวินัยที่ระถาค้นได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเนี่ยพระธรรมคาสอนที่เราศึกษากันเนี่ยคือพระาศาสดาของพวกเราตอนนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่เพียงแต่คนโ ง, งไ่ไม่รู้เท่าไหนว่าออย่างครูบาอาจารย์จะมาตัดสรุปมาเป็นผ้าหลานกันด้านตรงไหนก็สายคาสอนพุทธเจ้าที่สอนไว้นี่แหละที่เราจะาลึกกันไว้ที่เราเก็บถ่ายทอดกันมานี่แหละ เป็นผู้ที่เอามาสั่งสอนพวกเราเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา<ม>อยู่ในพระธรรมคาสอน<ม>คนไม่ศึกษาก็ไม่รู้<ม>บอกเขาเสียว่ามีพระพุทธเจ้ามีอยู่<ม><ม>เพ็นแต่ว่าตัวตัวของพระพุทธเจ้าที่สอนนี้ไม่มีแต่ตัวแท้ก็คือคำสอนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกยู่ไม่ใช่เลยว่าต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองของเราไปถ้าเธอไม่ศึกษาธรรมของเราเธอก็ห่างอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยตแต่ถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยตถ้าเธอศึกษาธรรมคําสอนของเราเธอก็เหมือนอยู่กับการเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่มันอยู่ที่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าธรีระร่างกายของท่านก็เหมือนธรีร่ร่างกายของเราไม่มีอะไรแตกต่างกันมีการสามสิบสองเหมือนกันที่ต่างกันก็คือ เสียงที่ออกมาเนี่แหละมันต่างกันตรงนั้นเสียงธรรมเนี่ยสมัยนี้ถ้ามีคนแบบฟังอรหันต์เทพนี่ยนะคะเราเจะได้โสดาได้ในอนาคามีเรามียอะแย ะ, ยะยไปก็พราที่ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยท่านได้กันเพียงแต่ท่า น, นไม่มาประกาศเหมือนทางโลกท่านนั่นเองยิ่งได้ยิ่งเงียบก็ใหม่ไหพวกที่เขาได้ก็ไม่มาเผยแผ่มาประกาศเพราะก็ไม่หิวไม่เขาไม่ต้องการรางวัลอะไรจากใคร แล้วก็เป็นอันตรายด้วยไปพูดเข้าเดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อก็จะหาว่าอุตริขึ้นมาจะยุ่งใบใหญ่อระจายมันส่วนใหญ่ก็าบรรลุก็ไม่มีใครเขาพูดกันหรอกถ้าจะพูดก็พูดเฉพาะในวงในสั่งสอนกันสอนเขาวิธีให้เป็นพอคนฟังเข้าใจเป็นปั๊บเขาก็รู้ว่าคนพูดเป็นจริงๆเ <c oughs> <ๆ>ขาจะรู้กันแบบนี้เขาไม่ได้รู้ด้วยจากการมาบอกให้ฉันเป็นแล้วนะจะ <c oughs> เป็นหรือยังจะเชื่อหรือไม่เชื่อ อไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะอมีเนี่ยก็มีถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สายหนุงปู่มั่นมาเนี่ยเห็นไหมกูบอกไ ม, มไม่มีอถ้าตาดัดใจมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตัดนั่นผ้าหลานจะไม่สิ้นจากโลกถ้ามีการสั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติตามตามรบรรลุธรรมย่อมปรากฏขึ้นมา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 เป็นศัตว์หรืออะไรต่างๆก็ได้ลูกเป็นแค่เด็กอนุบาลที่เล่าฝึกอยู่แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าคนที่ไม่มีศาสนาตายไปแล้ววิญญาณเขาจะไปไหนเจ้าคะเคยมีศาสนาไม่มีศาสนานี้ไม่สําคัญสัำคัญอยู่ที่ทําบุญหรือทำบาปหรือเปล่าไม่มีศาสนาทําบุญก็ไปดีได้มีศาสนาทำบาปก็ไปอบายได้ฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การมีศาสนาหรือไม่เมืองไทยเนี่ยเป็นชาวพุทธ้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทำบาป ก, กันบ้างหรือเปล่าเปิดบารเปิดผับกันบ้างหรือเปล่าคอรับชันกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่การมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติตามาศาสนาหรือไม่ถ้าปฏิบัติตามคำสอนสาศาสนาก็จะไปดี ทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดนี่คือคำสอนโดยย่อของศาสนาพุทธถ้าทำตามสามข้อนี้ได้รับรองได้ว่าตายไปต้องไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปถึงพระนิพพานได้เลยถ้าไม่ทำตามคำสอนนี้ก็ไปอบายเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเกิดเร็วกว่าเก่าแย่กว่าเก่าแต่ถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าถ้ายังไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดชาติต่อๆไปจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ดูพระเวชสันดรเนี่ยดูพระพระเจ้าสิบชาติเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างของการกำมาเกิดแต่ละพวกแต่ละชาติของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติจะดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดท่าติสุดท้ายได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้ตัดสัรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามจากคุณทิพวรรณ เวลาไปกินอาหารทะเลส่วนใหญ่ที่ร้านก็เป็นของสดยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชี้ว่าเอาตัวนั้นตัวนี้มาทําอาหารถือว่าเราบาปสี่ข้อหนึ่งไหมคะถ้ารู้ว่าถึง้ารู้ว่าเหมือนกับเวลาเราต้องสั่งอาหารอยู่ดีไม่ใช่ต้องสั่งปลาทอดกล้วอกุ้งเผาอะไรอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทํำบาปก็อย่าไปกินก็นแล้วกันเปนลี่ยนร้านอื่ไป กินร้านที่เขาขายของตายแล้วดีกว่ามันก็แค่ความสุขแค่ปลายลิ้นนะนะั่นแหละพอเข้าไปในปากคายออกมาก็ไม่อยากเกินเข้าไปนละ้วใช่ไหมถ้ามันอร่อยนะักเดี๋ยวเวลาเคี้ยวอะไรอร่อยคายออกมาก่อนเนี่ยแล้วตักเข้าไปใหม่เดี๋ยอ <c oughs> แค่นั้นมันก็จบละเออกินเพื่ออิ่มอย่าไปกินเพื่อสุขไว้สุขแค่ปลายลิ้นแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมไม่คุ้มหรอกคําถามจากคุณลอย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 สองเวลาผ่านไปนี่สองเวลาสองกีสองชั่วโมงผ่านไปเรวยิ่งกว่าไปนั่งดูหนังอีกนะคำถามจากคุณปลาข้อที่หนึ่งการกินข้าวก้นบาดพระได้บุญหรือเปล่าครับมันก็ได้อาหารเท่านั้นแหละมันได้บุญตรงที่ว่าอาหารของพระท่านจะเป็นเหมือนอาหารเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยแต่มันจะได้เป็นการดัดกิเลส ข, ของเรา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 ก็ให้มันรวมอยู่ในชามก่อนไม่ได้เลยนี่กินแบบฆ่ากิเลสถ้าอยากจะฆ่ากิเลสก็ต้องกินแบบนี้ถ้ากินแบบยยกกิเลสก็กินแบบรับใช้กิเลสเลี้ยงกิเลสไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงใจ่ะเลี้ยงกิเลสทําให้ใจเป็นเป็นพิษต่อจิตใจทําให้ใจทุกเวลาไม่ได้กินตามตามที่อยากกิเลสอยากกินก็จะทุกข์ลวแต่ถ้ากินแบบนี้ได้อาหารชนิดไหนก็กินได้หมด เวลาหิวแล้วอะไรก็กินได้หมดแต่แต่มันจู้จี่จุกจิกก็อดอดอดอย่าเพิ่งไปกินมันปไว้ให้มันหิวจริงๆอดสักวันสองวันเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็อร่อยหมดอาว่าไหข้อที่สองการนนั่งสมาธิจนจิตรวมต้องผ่านเวทานาก่อนทุกคนหรือเปล่าครับถ้าสติ ด, ดีๆมันไม่ผ่านเนี่ยถ้าสติ ด, ดีดีห้านาทีสิบนาทีมันก็รวมแล้ว ไอ้ที่มันมันผ่านก็เพระว่อสติมันไม่ดีมันคิดนู่นคิดนี่กลับไปกลับมาพอ ย, นานยิ่งนั่งยิ่งนั่งยิ่งงานมันก็ยิ่งเจ็บขึ้นมาคำถามจากคุณนภพรถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราอยู่กับพุทโธไม่ได้เพราะสติกําลังไม่มีเรานั่งแล้วพูดออก พโเพื่อให้สติอยู่ได้ไหมครับหรือควรที่จะสู้คุมให้คิดพุดโทต่อไปครับควรจะคิดพุดโทดีกว่าเพราะถ้าพูดมันยิ่งจะทำให้ใจไม่สงบใหญ่ให้มันอยู่แต่ภายในอย่าส่งออกมาทางร่างกายคำ ถ, ถามจากคุณนาดั้งสมาธิไปถึงระดับหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนว่าฟ้าแลบในสมาธิเป็นระยะระยะควรทำอย่างไรต่อคะให้รู้เฉยเฉยแล้วก็ดูดูลมต่อไปพูดโทต่อไป ถ้ามันยังไม่รวมอย่าเพิ่งหยุดนะทําต่อไประหว่างทางมันอาจจะมีอะไรให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจเอาอีกสองข้อนะ อ, อีกสองข้อก็พอาถามจากคุณสเขียนกรงศีลภาพรวมององรวมคือห้าเปียดเบียนใช่ไหมครับนั่นแหละการกระทําที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ทางกายทางใจแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการ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 ทำบุญแล้วไม่ได้อธ mm. uh really <ies and> <women> ิษฐานขออะไรเพียงแต่ใจอยากทําจึงทําเลยจะได้บุญเท่ากับคนที่อธิษฐานไหมคะได้เท่ากันนะเพราะว่าบุญไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานบุญเกิดจากการกระทําเหมือนการกินข้าวจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยกินกับคนที่กินเลยนี่มันก็อิ่มเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่อธิษฐานหรือไม่อธิษฐานอยู่ที่การกินหรือไม่กินบุญก็เหมือนกันอยู่ที่การทําหรือไม่ทําไม่ได้อยู่ที่การอธิษฐาน